จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสก อ, อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่18บมีนาคมพุทธศักราชส5 5พตรงกับวันแรมแดค่ำเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฝังธรรม วันชำระจิตใจกายวาจาใจให้สะอาดหมดจดเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจตลอดระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาญาติโยมก็ได้หมดเวลาไปกับการรรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหมดเวลาไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดเวลาไปกับการ หาเงินหาทองหาลาภยศสารเสริญสุขในวันนี้ก็จะมาหาความสุขให้กับจิตใจหาความให้หาความเจริญให้กับจิตใจด้วยการรักษาศีลทั้งศีลห้าและศีล8ปตามกำลังของแต่ละท่านที่จะทำกันได้ถ้าศีลห้าก็ได้ไปขั้นสวรรค์หรื อ, อยัง หรือในขั้นสุกติคือในการมาพบสวรรค์ชั้นต่างๆและมนุษย์เป็นที่อยู่ที่ไปของผู้รักษาศีลห้าส่วนผู้รักษาศีลแปดก็จะไปสื่สวรรค์ชั้นพรหมและไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปคือพวกที่ถือศีลแ น, นี้เป็นพวกที่ ต้องการที่จะลากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องการที่จะหาความสุขทางความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบได้ต้องระงับจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะในความอยากมีอยากเป็นและในความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจิตต้องสงบนิ่ง ถึงจะเป็นพรมพเป็นพระอริยเจ้าได้นี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเนคข ม, มะศีเนคข ม, มะให้แก่ศรัทธาญาติโยมที่ปรารถนาความสุขและความเจริญที่สูงสุดเนคข ม, มะแปลว่าการออกจากกามสุข ทุกวันนี้เราอยู่กับการมาสุขเราอยู่กับการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นื่กายด้วยการดื่มด้วยการรับประทานด้วยการดูด้วยการฟังด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่ฉาบฉวยเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุขที่ มีความหิวความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นตามมามีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่เคยได้เสพอยู่เป็นประจำเช่นคนที่เคยสูบบุหรี่ถ้าวันไหนไม่ได้สูบบุหรี่ก็จะรู้สึกกวงุดหงิดใจ คนไหนเคยเสพสุรายาเมาพอไม่ได้เสพสุรายาเมาก็จะหงุดหงิดใจคนไหนที่เคย <c oughs> ดื่มกาแฟเป็นประจำถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจคนไหนที่เคยได้ดูหนังฟังเพลงอยู่เป็นประจำพอไม่ได้ดูหนังฟังเพลงก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากใจ มีความกระสันมีความอยากกับการเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนติดเป็นนิสัยเป็นเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขามันไม่สามารถหยุดได้ด้วยตัวของมันเองมันต้องอยากไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งอยากแล้วไม่ได้เสบไม่ได้สัมผัสกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจยิ่งอยากที่จะเสดมากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ได้เสดก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินี่คือโทษของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เคยได้เสดได้สัมผัส กับความสุขแบบนี้อย่างมากมายในฐานะของพระราชโอรส อ, อยู่ในพระราชวังมีประสาทสามฤดูมีนางสนมกำนันมีเครื่องบำรุงบำเลอความสุขทุกรูปแบบแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่จีรังหลังจากที่มันผ่านไปแล้วก็เหมือนกับฝนตกพอตง ฝนหยุดแล้วไม่นานมันก็แห้งแรงขึ้นมาอีกฉันใดใจเวลาได้เสพก็เหมือนกับได้รับน้ำฝนแต่พอพอเสพเสร็จผ่านไปแล้วใจก็แห้งผากขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มความพออยู่เลยพระพุทธเจ้าจึงต้องพยายามศึกษาค้นคว้าหาความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน พระ อ, องค์ก็ทรงจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบในขณะที่พระ อ, องค์ทรงประทับอยู่ตามลําพังไม่มีใครมาห้อมร้อมขณะนั้นจิตของพระ อ, องค์ก็ตกผวังเข้าสู่ความสงบมีความรู้สึกสุขเบา อ, อกเบาใจอิ่มใจพอใจทรงลำเลียถึงความสุขแบบนี้ และทรงพิจารณาถึงความสุขแบบทางตาหูจมูกร่งกายแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนฟ้ากับดินเหมือนสวรรค์กับนรกอย่างนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทยัยเสด็จออกผนวดไปอยู่ตามป่าตามเขาห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นโลดโผธภะต่างๆที่คอยยั่วยวนกวนใจ ให้เกิดความอยากไม่รู้จักจบจากสิ้นแล้วบันเพ่นศีลในขมมะศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงความอยากต่างๆในรูปเสียง ก, กิริลดจนในที่สุดพระไถยของพระองค์ก็สามารถเอาชนะ ความอยากต่างๆได้จนหมดสิ้นไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ในพระทัยเลยจึงได้ปรากฏเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่เป็นพระบรมศาสดาที่พวกเรากราบไหว้บูชามากันจนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ตรงที่พระองค์เสียสละความสุขทางโลก ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ออกแสวงหาความสุขทางความสงบของจิตใจเมื่อพระองค์ได้บรรลุได้พบกับความสุขอันประเสริญนี้แล้วก็ทรงนำเอามาสั่งสอนให้แก่ศรัทธาญาติโยมต่อไปมีผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติจนได้พบกับความสุขสงบของจิตใจเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหารุ่นรุ่นในสมัยปัจจุบันนี้ที่มีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีฉันทะเวริยะมีความพอใจมีความอุตสาหะที่จะภาคเพียรดงเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ โดยพยายามปฏิบัติดังที่พระ อ, องค์ได้ส่งปฏิบัติมาเช่นในวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปหรือถ้ามีกําลังพอก็รักษาศีล8ไปเลยก็มีถ้าไม่พอก็รักษาศีลห้าไปก่อนแล้ววันพระอย่างเช่นในวันนี้ก็มารักษาศีล8เป็นการฝึกซ้อมไปก่อน เป็นการค่อยๆสร้างกำลังที่จะระงับที่จะต่อสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปฎิภาวันนี้ผู้ที่ถือศีลแปดก็จะไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเช่นศีลข้อ3จากกาเมคือการไม่เสกกากับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตน ก็มาถืออร拉มจารยาคือจะละเว้นจากการสกรรมโดยเต็มที่เลยคือจะไม่นอนไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขกับการเสดกรรมนี่ก็เป็นการตัดไปหนึ่หนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดจากการหาความสุขจากการ เดิจากการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนี้ความจริงมันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะเพื่อร่างกายและและรับประทานอาหารเพื่อร่างกายและรับประทานอาหารเพื่อกิเลสคือเพื่อจิตใจถ้ารับประทานอาหารเพื่อร่างกายก็รับประทานโดยพอประมาณ ร่างกายสมควรที่จะได้รับอาหารเพื่อเยียวยาดูแลรักษาอัตภาพของตนเท่าไรก็ให้เพียงเท่านั้นก็ะพอร่างกายไม่รู้ว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายนั้นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอย่างไรร่างกายรับอาหารได้ทุกแบบทุกชนิดเพียงแต่ว่า ขอให้อาหารที่เข้าไปในร่างกายไม่สแสลงไม่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นอาหารที่เป็นพิษต่างๆเท่านั้นร่างกายรับประทานอาหารได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งอาหารอีสานอาหารใต้อาหารเหนืออาหารภาคกลางคนอื่นเขากินได้ร่างกายของคนอื่นเขากินได้ร่างกายของเราก็กินได้เหมือนกัน แต่ผู้ที่มาขอแยกแยะว่าอาหารชนิดนี้อร่อยอาหารนี้ไม่อร่อยนี้คือใจใจที่มีกิเลสก็จะแยกแยะจะชอบสิ่งนั้นจะชอบสิ่งนี้จะไม่ชอบสิ่งนั้นจะไม่ชอบสิ่งนี้เวลารับประทานอาหารจึงอย่ารับประทานตามความอยากของกิเลส ข, ของใจเพราะใจไม่ได้รับประทานอาหารต่างๆ ร่างกายเป็นผู้รับประทานร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับลูกของเราส่วนใจนี้เป็นเหมือนตัวเราเวลาเราป้อนอาหารให้ลูกเรารับประทานเราไม่ได้รับประทานอาหารของลูกเลยแต่ทาไมเราต้องไปเลือกอาหารที่เราชอบให้ลูกเขารับประทานลูกเขารับประทานอะไรก็ได้เรามีอาหารอะไรให้เขารับประทานเขาก็รับประทานเช่นตอนเด็กๆให้เขาดื่มนมเขาก็ดื่มนม ให้เขากินอะไรเขาก็กินได้หมดไม่มีปัญหาอย่างไรแต่เราเป็นคนที่ไปเลือกเองทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เป็นเป็นคนกิ น, นใจกับกายก็เป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นเหมือนลูกใจเป็นเหมือนแม่ใจมักจะเป็นคนเลือกอาหารต่างๆให้กับลูกรับประทานทั้งๆ ท, ที่ลูกเขาไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เลย อาหารชนิดไหนเขาก็กินได้แต่ใจกินไม่ได้ทั้งๆที่ใจไม่ได้เป็นผู้กินนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเอาไว้เวลาที่เรารับประทานอาหารควรรับประทานอาหารเพื่อร่างกายอย่ารับประทานอาหารเพื่อกิเลสเพื่อจิตใจวิธีที่จะแก้จะดัดกิเลกก็คืออาหารชนิดใดที่กิเลสหรือใจชอบก็อย่าไปรับประทาน อาหารชนิดใดที่กิเลสไม่ชอบรับประทานก็ให้หัดรับประทานอาหารชนิดนั้นต่อไปกิเลสมันจะได้ไม่กล้าชอบอีกต่อไปมันก็จะอยู่เฉยๆดูร่างกายรับประทานอาหารไปรับประทานอาหารเท่าที่พอสมควรไม่ต้องการหาความสุขจากการรับประทานเหมือนกับการรับประทานยาเวลาเรารับประทานยาเราไม่ได้คิดถึงความสุข ที่จะที่เกิดจากการได้รับประทานยาชนิดต่างๆบอกให้ยาชนิดไหนมามีรูปลักษณะอย่างไรมีรสชาติอย่างไรเราก็รับประทานเข้าไปเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเรารับประทานอาหารข้าวก็เป็นเหมือนกับรับประทานยาเพื่อรักษาภายัโภายโรคภัยแห่งความหิวของร่างกายและ ป้องกันรโรคภัยที่จะเกิดขึ้นหากร่างกายขาดอาหารเพราะจะทำให้ไม่มีภูมิต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดังนั้นเวลารับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานพอประมาณวันหนึ่งรับประทานเพียงครั้งเดียวก็อยู่ได้ถ้ายังคิดว่ายังไม่มีกำลังพอก็สองครั้งก็ได้แต่อย่าหลังเกินเที่ยงวันไปแล้ว ไม่มีความจาเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนถ้าจะรับประทานสำหรับร่างกายรับประทานเพียงครั้งสองครั้งก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าจะรับประทานเพื่อความต้องการของกิเลส ข, ของจิตใจแล้วรับประทานไปสิบครั้ง20สครั้งก็ไม่รู้จักพอได้ความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวในขณะที่ได้รับประทาน แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานเพียงสองสา <c oughs> ชั่วโมงหรือบางทีเพียงชั่วโมงเดียวก็อยากรับประทานขึ้นมาอีกแล้วพอคิดถึงอาหารพอเห็นอาหารเข้าก็เกิดความอยากความอยากนี้ไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกายแต่เป็นความอยากของใจซึ่งใจก็ไม่ได้รับประทานอาหารแต่อย่างใดร่างกายเป็นผู้รับเคราะ เพราะจะต้อง ร, ร, รับประทานอาหารมากกว่าความต้องการจนทำให้นางกายมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้เกิดโรคไขข้เจ็บต่างๆตามมาเช่นโรคเบาหวานเกิดจากการรับประทานแป้งน้ำทานน้ำตาลมากจนเกินไปโรคความดันโรคไขมันต่างๆเกิดจากการรับประทานอาหารต่างๆ ที่มากเกินความต้องการของร่างกายนั่นเองถ้าเราถือศีลเนคเขมมาแล้วเราจะป้องกันปัญหาอย่างนี้ได้เราจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แล้วนี่คือเหตุผลของการรักษาศีลข้อที่6หก การละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วส่วนสี่ข้อที่7คือการละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวใช้ใช้ของของสวยๆงามๆที่มีสีสันสดใสมีกลิ่นหอมและการละเว้นจากการหาความสุขทางทางตาทางหูเช่นการแสดง เครื่องบันเทิงต่างๆควรที่จะนี่คือเป็นความสุขที่จิตใจต้องการแต่เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่งความพอกับใจนี้แต่จะสร้างปัญหาตามมาเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับความสุขบาบนี้จะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองจะขาดความมั่นใจ จะมีความรู้สึกว่าเวมีความรู้สึกเศร้า้อยหงอยเหงาเพราะเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเป็นแบบเดียวกันใจติดเพียงแต่วัตถุที่ติดนี้ต่างกันยาเสพติดก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ทำให้ใจติดและเมื่อไม่ได้เสพก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดควา ม, มญหงุดหงิดลาคาญใจเช่นเดียวกับการแต่งเนื้อแต่งตัว โดยเสื้อผ้าอภารรท์ที่มีสีสันการแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมการใช้น้ำหอมชนิดต่างๆหรือการหาความสุขจากการดูการฟังจากการดื่มจากการรับประทานขนมนมเนยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความต้องการของกิเลสไม่ใช่เป็นความ <c oughs> ต้องการของร่างกาย และไม่มีความจำเป็นต่อจิตใจแต่เป็นโทษกับจิตใจเพราะเป็นเหมือนยาพิษนั่นเองจิตใจเมื่อได้เสพสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะติดงอมแงมเวลาใดที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอยู่เฉยๆไม่ได้อย่างเป็นอย่างปกติจะมีความอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับ นี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราถือศีลข้อที่7กันนะเพื่อที่เราจะได้รักษาโรคของความกระสับกระใสกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับในยามที่เราไม่ได้เสพกับความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายและข้อที่8ก็ทรงสอนให้เรานอนหลับบนนอนอยู่บนพื้นไม้ ปูด้วยเสือก็ได้ปูด้วยผ้าก็ได้แต่ไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆเพราะจะทำให้หลับนานเกินความจำเป็นของร่างกายถ้านอนบนพื้นไม้แล้วเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนก็จะหลับได้อย่างรวดเร็วและเมื่อร่างกายพอเพียงกับความกับการพักผ่อนแล้วก็จะตื่นขึ้นมา ซส่วนใหญ่ก็จะไม่นานประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อความต้องการแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ ห, หลังจากที่ร่างกายพอต่อการหลับนอนแล้วพอตื่นขึ้นมาแทงที่ใจจะลุกใจก็ยังติดอยู่กับความนุ่มของของที่นอนก็จะนอนต่อแล้วก็จะหลับต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงโดยไม่จําเป็น มีแต่จะทำให้เกิดความเกียดคร้านเพราะเวลานอนมากๆแล้วไม่ค่อยอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็จะเสียเวลาต่อการทำประโยชน์เพราะเวลาของชีวิตของมนุษย์นี้มีคุณค่าทุกวินาทีเพราะภบของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ไปเกิดเป็นภพอื่นแล้วจะสร้างไม่ได้ นี่ละถ้าเรามาติดอยู่กับความสุขกับการหลับก า, การนอนชีวิตคือเวลาของพวกเราก็จะหมดไปเกือบครึ่งหนึ่งกับการหลับนอนทำให้เราไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ยอย่างเต็มที่เราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติด้วยกันแต่ถ้าเราถือศีลข้อแปดนี้คือไม่นอนบนฟูกนั้นนะ พอเรานอนได้เพียงสีห้าชั่วโมงเราก็จะตื่นขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อเพราะเราต้องการธรรมะเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากการเรวียดว่ตายเกิดหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะเมื่อเราบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อก็ไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาคจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้พวกเรายังต้องเจอกับความทุกข์อีกมากมายจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปสูญเสียคนนั้นคนนี้ไปจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและก็จะต้องตายไปในที่สุด นี่คือความทุกข์ที่พวกเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าเราหมั่นปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนรักษาศีลแปดไว้ให้ดีแล้วก็มีแล้วก็นั่งสมาธิจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆสลับกันไปตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะกำหนดดูอาการ32สองของร่างกายก็ได้ ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปดูไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจนเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกปรกเป็นสิ่งที่อัปลักษณ์ไม่สวยงามดูแล้วก็เกิดความขยะขยะขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่หลงติดกับการ เสตการกับการอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ก็จะสามารถรักษาสินข้อสได้ไปอย่างตลอดคือไม่ต้องมาถือข้อการเม อ, อีกต่อไปจะถือข้ออปร ม, มัจจริยาเพราะจิตใจไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับการเหตุการกับการหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้อีกต่อไปจิตใจก็มีความสุขมีความสบายมากขึ้น มีแต่ความเบา อ, อกเบาใจมีแต่ความพอใจอยู่คนเดียวก็ไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่กังวลกังวายไม่ว้าเหวไม่เศร้าสอยหงอยเหงานี่คืออ น, นิสงส์แห่งการบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บําเพ็ญโดยเฉพาะศีลศีลแปดและการภาวนา นั่งทำสมาธิและเจริญปัญญาจะเป็นเป็นเหตุหรือเป็นสิ่งที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับใจก็คือความสงบที่เป็นความสุขที่เลิ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นัตสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้จะประเสริฐ จ, จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ วพราะเป็นความสุขที่ไม่มีโทษตามมาไม่มีทุกข์ตามมาไม่มีความหิวความอยากตามมามีแต่ความอิ่มความพอตามมาและจะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีใครสามารถมาฉกเขมมาแย่งชิงไปได้ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่ผู้อื่นสามารถฉกชิงไปได้แฟนเราสามีเราภรรยาเราคนอื่นเขาแย่งไปได้ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันหายไปได้หมดไปได้โทรทัศน์เสียได้วิทยุเสียได้ตาบอดได้หูหนวกได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องควรเอามาพิจารณาเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดเพื่อจะได้รับพบกับความสุขที่แท้จริงจึงขอฝาเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาบำเพ็ญเนขมะบรารมี